สังคาทิเศษสิกขาบทที่4 2่สองร้อยสิบถามพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาทิเศษแก่ภิกษุณีผู้เรียกภิกษุณีที่สงพร้อมเพรียงกันลงอุกเขปนียกรรมโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตวศาสตร์ให้กลับเข้าหมู่ โดยไม่บอกการกะสงทั้งไม่รับรู้ฉันทะของคณะณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทุลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลนันธา เรียกภิกษุณีที่สง์พร้อมเพรียงกันลงอุกเขปนิยกรรมโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตว์ทุศาสให้กลับเข้าหมู่โดยไม่บอกการกะสงค์ทั้งไม่รับรู้ฉันทะของคณะในสังฆาธิเศษสิกขาบทที่สีนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐาน